Thank you. มาทำวัดเช้าเนี่ยจากกุฏิที่พักมาหอไตรเนี่ยมันมืดเราจะเดินมาถึงที่นี่ได้เนี่ยก็ต้องมีไฟฉายไฟฉาย ม, มันนำทางเรามาหรือว่าผู้ถือก็คือว่าบอกให้เรารู้ว่าทางเนี่ยที่จะมาหอไตรเนี่ยนะที่เราเดินนี่ถูกไหม เป็นทางที่ถูกเลือวามาถึงหอตไทรไหมถ้าไฟฉายเราไม่ดีนะมันเปิดเปิดป ด, ดับดับเราก็า จ, จะหลงทางได้ถ้าไฟดับเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้ทางอยู่ไหนแล้วมันมืดไปหมดถ้าจะเดินเดาสุ่มไปก็อาจจะเดินออกนอกทางบางทีก็เข้าป่าไปเลยการจำนวนชี้อของเราก็เหมือนกันนะ ไฟฉายเนี่ยนะมันก็ทำให้เรารู้ว่าเรามาเดินถูกทางหรือเปล่าเช่นเดียวกันกับความรู้สึกตัวตถ้าเราความรู้สึกตัวเนี่ยเราก็สามารถจะพาชีวิตของเราได้ถูกทางหรือว่าทำอะไรได้ถูกต้องแต่ความรู้สึกตัวของคนเราส่วนใหญ่เนี่ยมันคล้ายๆกับไฟฉายที่เปิดเปิดดับดับ เดี๋ยวก็เปิดเดี๋ยวก็ดับนะคือมันมีเป็นพักๆนะันความสึกตัวช่วงไหนที่มีความสึกตัวเราก็ทำอะไรได้ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นกิจอะไรก็ตามล้างจามถูฟันขับรถหรือว่าทำงานที่ต้องใช้หัวใช้สมองแต่เวลาที่เรานะไม่รู้สึกตัวเนี่ยนะ มันก็อาจจะทำให้เราเนี่ยหลงทางได้เหมือนกับพอไฟดับนี่ยก็จะเดินเข้าป่าไปเลยหรือว่าเดินเลี้ยวผิดทางต้องอาศัยการคลำนะซึ่งก็คลำถูกคลำผิดถ้าเราไม่รู้สึกตัวเมื่อไหร่แม้จะเป็นบางช่วงบางขณะมันก็อาจทํทำให้เราทำอะไรผิดพลาดไปได้บางช่วงก็ทำถูกนะ อย่างเช่นเวลาที่เราใจลอยขณะที่ทำวัาสดมนเนี่ยคนที่ท่องได้เนี่ยก็สามารถจะสวดได้ถูกต้องแต่ถ้ทีตอนนั้นเนี่ยใจลอยคิดหน้ยคิดนี้แต่ก็มีบางช่วงบางขณะที่อาจจะสวดผิดก็ได้นะจากพุทเทเป็นธรรมเมรหรือสังเคนะพุทธโธเป็นสังโคก็มีนี ความรู้สึกตัวเนี่ยมันทำให้เรานะทำอะไรได้ถูกต้องแลนะไม่ผิดพลาดแต่ความรู้สึกตัวของคนเราส่วนใหญ่อย่างที่บอกนะมันเหมือนกับไฟฉายที่เปิดเปิดป ด, ดับๆับบางทีดับมากกว่าเปิดด้วยซ้ำนะเราใช้เวลาอยู่กับความหลงเนี่ยเยอะมากกว่าความรู้สึกตัว แต่ว่าเราก็ยังสามารถจะทำอะไรได้ถูกต้องไม่ค่อยผิดพลาดนะมันก็เพราะาความเคยชินขับรถเนี่ยเราก็สามารถจะคุยไปด้วยคุยโทรศัพท์ไปด้วยหรือคุยกับคนในรถไปด้วยแล้วขับรถไปด้วยได้บางทีก็ใจลอยใจลอยแต่ก็ยังขับรถถาถึงบ้านได้ถูกต้องไม่เกิดอุบัติเหตุ แต่ก็ไม่แน่นะบางคนก็ใจลอยเพียงแค่แปบ๊บเดียวนี่ก็เกิดอุบัติเหตุได้นะอุบัติเหตุปีใหม่ปีนี้ก็คนตายเยอะมากนะเยอะกับปีที่แล้วทําสถิติอันนี้เกิดจากความหลงซสียเยอะนะอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่ใจลอยใจลอยที่มันหลงเข้าไปในความคิดแต่บางทีหลงเข้าไปในความหลับ ก็เกิดอุบัติเหตุนะสูญเสียกันเยอะแต่เป็นเพราะว่าแต่เหตุการณ์เหานี้ไม่ค่อยเกิดขึ้นเพราะว่าความเคยชินของเรานะมันก็ทำให้เราขับไปได้ถูกต้องมีคนหนึ่งนิ ม, มนต์พร ะ, ะมานั่งมานั่งรถของตนนะเพื่อจะได้ขับไปส่งพระที่วัดขับไปสักพักหนึ่งนะก็หักซ้ายนะเลี้ยวซ้าย พรก็เลยถามว่าโยมจะไปไหนโยมก็ตอบว่าจะพาพระไปส่งที่วัดไงพระท่านก็เลยตอบว่าทางไปวัดนี่มันไม่ได้เลี้ยวซ้ายมันตรงไปโยมก็เลยได้สตินะจึรงรู้ว่าที่เลี้ยวซ้ายเนี่เพราะว่ามันเป็นทางทางเข้าบ้านนะแต่ก่อนเนี่ยกลับบ้านแต่ไหนตะไลามากลับบ้านก็เลี้ยวทางนี้แหละพอไปส่งพระ ในช่วงที่เห็นทางเลี้ยวลืมตัวตอนนั้นใจลอยพอเห็นทางเลี้ยวก็เลี้ยวเลยเนะี่ยเพราะว่าทำไม่เป็นประจำอันนี้เรียกว่าหลงนะไม่รู้ตัวมันก็ทำอะไรได้ถูกนะแต่มันมันแบบถูกถู ก, ถกผิ ด, ผ, ดผิดนะนะคนเราถ้าไม่รู้ตัวแล้วแม้ก็ท้องทำความดีก็อาจจะทำได้ไม่ดีนะักเพราะว่าปล่อยให้ความหลงมันเข้ามาแทรกเวลา ทำบุญเวลาถวายสังฆทานเวลาทอดกรถินทอดพระป่ า, ปาถ้าไม่รู้สึกตัวก็ จ, จะเกิดความหงุดหงิดเกิดความขุนเคืองเพราะาคนเยอะทําไมมันเยอะแบบนี้เข้าไม่ถึงสถานที่ที่จะหรือจุดที่จะถวายอยากจะถวายอาหารให้หลวงพ่อแต่ว่าคนเยอะมากนะไปไม่ถึง อันนี้เกิดความหงุดหงิดนะแทนที่ใจจะได้บุญก็อาจจะได้อกุศลหรือได้บาสนะถ้าเกิดมีจิตคิดร้ายความสึกตัวถ้าไม่มีแนละ้วก็เป็นทุกข์นะแล้วก็แม้กระทั่งจะทําความดีก็ทําได้ยากหรือไม่ได้ประสบผลเท่าที่ควรเวลารักษาศีลก็ถ้าถ้าหลงนะมันก็อาจจะไม่อยากทําหรือทําก็อาจจะได้กิเลส เพิ่มพูนขึ้นมาเช่นเกิดความหลงตัวลืมตนว่าฉันเป็นคนมีศีลเคร่งครัดนะดูถูกคนอื่นที่เขาไม่มีศีเหมือนเราเนี่ยอย่างนี้ก็เรียกว่าหลงแล้วนะเพราะว่ากินเหลวเข้ามาครอบงําเพราะนั้นกพยายามของเราสึกตัวอยู่เสมอความสึกตัวเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากนะมันไม่เหมือนการบําเพ็ญฌานนะการจะได้เข้าถึงฌานเนี่ยยาก จะการทำความรู้สึกตัวนี้ง่ายเพราะว่าทาได้ทุกที่ทําได้เดี๋ยวนี้เลยเนี่ยอยู่ตรงนี้ก็ทําได้นะอยู่วัดก็ทําได้อยู่บ้านก็ทําได้เพราะว่าไม่ว่าเราทําอะไรไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่เราก็ถ้าเราเอาใจมาอยู่กันเนื้อกับตัวเอาใจใส่ลงไปในสิ่งที่เรากำลังทํา 100% เรเเลยเนี่ย ความสึกตัวเกิดขึ้นแล้วเมื่อใดก็ตามที่เราพาใจกรรมมาอยู่กับปัจจุบันตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นความสึกตัวเกิดขึ้นทันทีมันไม่มีเงื่อนไขามากนะไม่เหมือนการบาเพ็ญฌานเนี่ยแค่ฌานหนึ่งนี่ก็ยากแล้วหรือแม้แต่สมาธิเบื้องต้นหลายคนนะก็อยู่วัดเพียงแค่ชั่วคราวไม่นาน บางก็จะศึกหาลาเพศไปบางก็จะกลับบ้านไปทำกิจธุระไปใช้ชีวิต อ, อยู่กับครอบครัวก็สามารถที่จะทำความศึกตัวได้ถึงแม้ว่ามันจะมีสิ่งยั่วยวนนะแล้วก็ยั่วยุนะยั่วยวนคือยั่วยวนให้ยาก ซึ่งเดี๋ยวนี้มันมีสิ่งกระตุ้นความอยากเยอะมากนะไม่ใช่อยากกินอยากเที่ยวอยากดื่มบางทีก็อยากเสพนะอยากใช้ข่าวสารเทคโนโลยีบางคนก็ติดเกมบางคนก็ติด l ล n e ติด a ฟ e b o o k ติดสมาร์ทโฟนเนี่ยอันนี้เรียกว่ายุยยวนย้ายวนหรือแม่ก็ย่ยยุนเอาโยยุให้งดหงิดให้โกรธนะไม่ว่าจะเย้ายวนหรือว่ายยยุเนี่ยถ้าเราเผลอเมื่อไหร่ก็หลงเมื่อนั้นแหละ ในการที่จะมันมีความจำเป็นมากเลยนะที่เราจะต้องรักษาความรู้สึกตัวหรือมีสติเอาไว้ถึงแม้มันจะยากนะเมื่อเรากลับไปที่บ้านนะกลับไปภูลาเนาแต่สิ่งหนึ่งที่ช่วยได้คือว่านะมันนะมันทาความรู้สึกตัวทั้งในรูปแบบแล้วก็ในชีวิตประจำวันในการ เจริญสติหรือการทำความรู้สึกตัวในรูปแบบนี่ก็สำคัญนะเพราะว่าถ้าเราจะอาศัยความรู้สึกตัวในชีวิตประจำวันเนี่ยอย่างที่บอกนะมันก็มีสิ่งยั่ยั่วแล้วยยุเยอ ะ, ะเผลอๆๆง่ายนะแต่ถ้าเกิดว่าเร า, าให้ความสำคัญกับการฝึกในรูปแบบบ้างมันก็จะทําให้ความรู้สึกตัวของเรามีความต่อเนื่อง เพราะว่าเวลาเราจะปฏิบัติในรูปแบบเราก็มักจะทำในที่ที่มันเป็นส่วนตัวที่ที่ที่มันสงบนะไม่มีสิ่งรบกวนเช่นที่บ้านแล้วก็ทำในเวลาที่โปรง่งสบายเช่นก่อนนอนหรือว่าเมื่อตื่นนอนเนี่ยมันเป็นช่วงที่ยังไม่มีอะไรมารบกวนมากก็พยายามทำในรูปแบบ หนาทีสิบนาทีก็ยังดีนะแม้ดูเหมือนน้อยแต่ถ้าทำทุกวันเนี่ยนะมันช่วยได้เยอะแค่การทำให้ต่อเนื่องทุกวันเนี่ยนะถ้าทำได้แม้จะน้อยเพียงใดเนี่ยมันจะเป็นมันจะสร้างปัจจัยเนี่ยมันจะสร้างคุณภาพในจิตใจของเราที่จะช่วยทำให้เราสามารถทำความสึกตัวได้ต่อเนื่องอย่าไปดูถูกนะอย่าไปดูแคลนว่า แค่ทำห้านาทีสิบนาทีนี่มันจะมีผลนั่นยนะถ้ามันถ้าเราทำทุกวันเนี่ยมีผลมากทีเดียวเขาเคยมีการาศึกษาวิจัยเนี่ยนะกับคนที่พยายามควบคุมอาหารควบคุมควบคุมน้ำหนักคนที่พยายามลดน้ำหนักตอนนี้เป็นปัญหามากเดี๋ยวนี้อ้วนน้ำหนักเกิน และ ว, วิธีการลดน้ำหนักเนี่ยก็ต้องใช้การคุมอาหารและการออกกาลังกายไอ้การคุมอาหารนี่มันก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้ความตั้งใจนะเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยสิ่งเย้าวยวนเยอะอาหารอร่อยๆมีเยอะราคาถูกอาหารมีให้เลือกทุกชนิดนะมีทุกชาติทุกภาษาแล้วก็มีการโฆษณาให้เราอยากจะกินนะไอ้การที่จะคุมอาหาร ก็ยากนะไอการออกกําลังกายก็ยากอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันมีแต่เดี๋ยวนี้มันมีความสะดวกสบายเยอะที่ทําให้เราไม่จําเป็นต้องออกกาลังกายก็ได้อยู่นิ่งๆแค่นั่งอย่างเดียวนี่ก็นั่งได้ทั้งวันโดยที่ไม่ต้องออกจากบ้านเลยสั่งอาหารมากินมีดิลิเวอรี่นะอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์หรืออยู่หน้าจอโทรทัศน์ทั้งวันอันนี้ก็เป็นความย้อยยวนอีกแบบที่ทําให้เราเนี่ยไม่กระตือรือร้นนะ ที่จะออกกำลังกายแต่เขาบอกว่าวิธีหนึ่งที่ช่วยทำให้คนเนี่ยสามารถจะคุมอาหารและออกกำลังกายได้เนี่ยก็คือการที่แนะนำให้แต่และคนเนี่ยจดบันทึกว่าวันนี้กินอาหารอะไรบ้าง เ, าเราะว่าคนที่จดบันทึกเป็นประจำเนี่ยว่าวันนี้กินอาหารอะไรบ้างเนี่ยเพื่อจะดูรู้ว่าตัวเองเนี่ยกินแป้งเยอะไหมไขมันเยอะหรือเปล่าน้ำตาลมากน้อยเพียงใดเราพว่าคนที่ตั้งใจนะจดบันทึกว่าวันนี้กินอาหารอะไรเนี่ยทำคนที่ทำยิ่งสม่าเสมอเนี่ยมีโอกาสที่จะลดน้ำหนักได้สำเร็จนะคนที่ไม่จดเลยเนี่ยนะไม่มีโอกาสเลยนะ แต่คนที่จดแล้วทําสม่ำเสมอเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์สูงที่จะลดน้ําหนักได้สําเร็จอันนี้ก็ทําที่เมืองนอกนะที่เมืองไทยก็เหมือนกันนะมีมีมโยมคนหนึ่งแกเพยาพยามไปชวนชาวบ้านเนยแถวจังหวัดตราดเนี่ยให้ให้ลดน้ําหนักด้วยการคุมอาหารแล้วก็ออกกำลังกายแล้วทําสมาธิด้วยนะแล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่แนะนําให้คนทําก็คือ คั้นนาำมะนากินแกก็ไม่แน่ใจนะว่าไอการคั้นน้ำมนาเนี่ยมันช่วยแค่มันช่วยทำให้ลดน้ำหนักได้หรือเปล่าหมายถึงในทางสุขภาพะนะแต่แกสังเกตพบ ว, ว่าคนที่ลดน้ำคนที่ลดน้าหนักได้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยรว้แล้วแต่คั้นน้ำมะนาวเพงนั้นเลยน้ำมะนาเนี่ยมันจะมีผลต่อสุขภาพเพียงใดนะอันนี้อต้องเป็นเรื่องของหมอว่านะมันช่วยลดน้ำหนักได้แค่ไหน ในทางสุขภาพน่แต่สิ่งที่แน่คือมันช่วยในเรื่องจิตใจก็คือว่าคนที่คันน้ำมันาทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยนะมันจะเป็นการสร้างวินยัยเป็นการสร้างวินัยให้กับคนเหล่านั้นคนธรรมนา็ไม่อยากคันน้นาคั น, น้ำมนาวนะแต่พอตั้งใจจะคันน้ำมนาวเนี่ยมันทำให้เกิดความตั้งใจเกิดความมุ่งมั่น เป็นการสร้างวินัยในตัวเองและวินัยนี่นะมันก็ไปใช้เนี่ยในการคุมอาหารแล้วก็ในการออกกาลังกายได้ด้วยถึงแม้ว่านามนา่อาจจะไม่มีผลในการลดไขมันนะแต่ว่ามันสร้างวินัยที่จำเป็นเช่นเดียวกับการที่เขาแนะนำให้คนที่จะลดน้ำหนักเนี่ยจดบันทึกว่าวันนี้กินอะไรบ้าง คนที่ทํานี้ทุกวันทุกวันเนี่ยนะเขาจะเกิดวิในัยในตัวเองเขาจะเกิดนะกําลังใจหรือกําลังจิตที่เข้มแข็งที่มากขึ้นเรื่อยเรืและวินัยความตั้งใจกําลังจิตที่เข้มแข็งนี่แหละที่มันจะทําช่วยทําให้เขาเนี่ยสามารถจะคุมอาหารอย่างอื่นๆได้รวมทั้งออกกําลังกายได้้ เ, เรื่องเล็กเ็กน้อยน้อยเนีย่นยแค่จดบันทึก ว่ากินอาหารอะไรในแต่ละวันหรือแค่คันนำ้ำขันนํามานาวทุกวันเนี่ยดูมันเป็นเรื่องเล็กนะแต่ว่ามันส่งผลทําให้เขาสามารถที่จะทําสิ่งที่ยากได้ไการลดน้าหนักในยุคนี้มันเป็นเรื่องยากนะแต่เรื่องยากก็แม้ก็ทําได้จากการที่เริ่มต้นจากเรื่องเล็กๆนะจดบันทึกคันนํามานาวอย่าไปดูถูกในะเรื่องเล็กๆเนี่ย เคยมีลูกศิษย์หลวงปู่ดู่นะพรมปัญโยวัดวัดสักแกเนี่ยพาเพื่อนมามากราบหลวงปู่นะพอได้พบหลวงปู่ลูกศิษย์คนนี้ก็บอกเพื่อนว่าเนี่ยไหนๆก็มาหาหลวงพ่อแล้วหาหลวงปู่แล้วก็ให้ถือศีล น, นะแล้วก็ทําสมาธิซนะคือเพื่อนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ชอบกินเหล้า แล้วก็ไปช่วตไปตามตามตามกระแสะตามสังคมเนี่ยก็เลยอยากจะให้เพื่อนเนี่ยลดลดละให้การกินเหล้าให้ถือโอกาสใช้โอกาสนี้เนี่ยนะสมาทานกับหลวงพ่อซะเลยว่าจะรักษาศีลห้าให้ครบแล้วก็ทำสมาธิอ้ชายคนนี้นก็ปฏิเสธบอกว่าเนี่ยยังติดเหล้าอยู่เนี่ยจะสมาทานศีลได้ยังไรนะ สมาธิก็ไม่ได้หรอกหลวงปู่เห็นก็เลยบอกว่าเนี่ยก็เลยพูดว่าเนี่ยแกจะกินเหล้าก็เป็นเรื่องของแกนะค่าไม่ว่านะแต่ว่าทำสมาธิให้ค่าได้ไหมวันละห้านาทีก็พอชายคนนั้นพอรู้ว่าเนี่ยทาสมาธิแค่านาทีเหล้าก็ไม่ต้องเลิกเอาสิหลวงปู่ท่านก็ฉลาดนะคือท่านพยายามทำให้ คนเนี่ยทำในสิ่งที่มันทําได้ให้เลิกเล่าถ้ายังเลิกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรบางคนนี่ต้องบอกให้เลิกเล่าก่อนถึงเนี่ยทำโน่ น, นทํานี่หลวงปู่ท่านฉลาดนะเลิกเล่าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ทํามสมาธิให้ข้าได้ไม่วันละห้านาทีชายคนนั้นก็รับปากคนรับปากแล้วก็ทําอย่างที่พูดจริงๆทุกวันก็นั่งสมาธิห้านาทีนั่งเสร็จก็ไปกินเหล้า ก, กับเพื่อน ทำางนี้อยู่หลายวันบางวันกำลังนั่งสมาธิอยู่เพื่อนมาชวนให้ไปกินเหล้าก็บอกว่าเดี๋ยวไปนั่งสมาธิก่อนไปไปมาเนี่ยปรากฏว่าเลิกกินเหล้าไปเลยเพราะว่าติดใจนะกับการนั่งสมาธิอาจจะเป็นเพราะว่านั่งสมาธิเราได้ความสุขนะที่มันมันวิเศษกับความรื่นเริงครื้นเคร่งในวงเหล้า หลายคนก็ติดลอบเพราะว่ามันมีบรรยากาศที่ครื่นเครงนะเพื่อนฝูงสังคมแต่พอนั่งสมาธิพระโอ้มันสุกกว่าเยอะเลยแต่ที่ผลพลอได้อีกอย่างหนึ่งนะก็คือคนที่นั่งสมาธิได้ทุกวันวันละหานาทีเนี่ยมันต้องมีวิ น, นัยต้องมีความตั้งใจและพอทําทุกวันทุกวันเนี่ยแม้ว่ามันจะมีความขี้เกียจ ก, ก็ทำมันไม่อยากทําก็ยังทํา เรียกว่าฝืนใจทำขันติธรรมที่มากขึ้นนั่นมันช่วยกอ่อให้เกิดวินัยในตนเองเกิดความตั้งใจจนเป็นนิสัยพอเป็นนิสัยแล้วเนี่ยรวมทั้งวินัยที่เกิดขึ้นมันทำให้สามารถจะฝืนความอยากที่จะกินเหล้าได้หลายคนเนี่ยต้านความอยากไม่ได้รู้ว่าเหล้าไม่ดียาไม่ดีบุหรี่ไม่ดีแต่ต้านไม่ได้เพราะใจมันอ่อนแอ แต่การที่พยายามชนะใจตัวเองในการทำสิ่งเล็กๆนะเช่นสมาธิวันละหานาทีหรือคั้นน้ำมะนาวทุกวันหรือว่าจดบันทึกนะว่ากินอาหารอะไรในวันนี้นะสิ่งเล็กๆเนี่ยมันทำให้แม้จะไม่อยากทำแต่ก็พยายามทำก็ทำให้เกิดความตั้งใจที่เข้มแข็งขึ้นเกิดกำลังจิตที่เข้มแข็งขึ้น จนสามารถจะเอาชนะความอยากเอาชนะความอยากอยากกินอาหารอร่อยกินอาหารขยะจนอ้วนหรือว่าอยากกินเหล้าเนี่ยมันก็เลิกซะเอาชนะความอยากได้ปัญหาคนสมัยนี้คือการที่จิตใจไม่เข้มแข็งรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีแต่ว่าจิตใจอ่อนแอหลงตามความอยากหลงไปตามกระแสเย้า ย, ยวนแล้วก็ ย, ย, ยั่วยุไอ้การทำสมาธิกัน ฝึกสติการสร้างความสึกตัวก็เหมือนกันนะหลายคนก็รู้ว่าดีแต่ว่าใจมันไม่อยากทำเพราะว่ามันมีสิ่งอื่นที่ดึงความสนใจไปเนี่ยเช่นตื่นนอนมาหลายคนก็จะเปิดสมาร์ทโฟนทันทีภายในเวลาสิ้านาทีที่ตื่นนอนแปดส9เป็นอย่างนี้นะบางทีก็ร่วมมันไม่ดีนะรู้ว่าน่าจะน่าจะทำอย่างอื่น แต่ว่าไม่ทำแต่ถ้าพยายามที่จ ะ, ะตั้งใจกับตัวเองบอกกับตัวเองว่าปีใหม่นี้เนี่ยฉันจะพยายามทำสมาธิฉันจะทำความรู้สึกตัวตื่นนอนขึ้นมาแล้วก็พยายามนะทำให้ได้ห้านาทีถึงแม้ว่าใจมันจะอยากจะเปิดสมาร์ทโฟนอยากจะเปิดดูไลน์อยากจะดูเฟซบุ๊กแต่ห้ามเอาไว้ไอ้ใจที่พยายามฝืนความอยากเนี่ยเพราะบอกกับตัวเองว่าเนี่ย จ ะ, จะเจริญสติทำความรู้สึกตัวให้ได้ทุกวันวันละห้านาทีเนี่ยถ้าทำได้ทุกวันนะต่อไปห้านาทีก็เป็นเรื่องเล็กแล้วก็สามารถจะขยายเป็นสิบนาทีและต่อไปเนี่ยนะเวลาใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยนะมันจะมีสิ่งยั่วยุเย้ายนให้หลงให้ใจลอยให้ให้ให้ใ ห, หงุดหงิดนะแต่ว่า ให้ความรู้สึกตัวที่สร้างมานะสะสมมานะหรือว่าเพียรทำมานะทุกวันทุกวันหรือว่าทำทุกเชา้าทุกเช้าเนี่ยมันก็ทำให้สติมีกำลังนะที่จะนะสลัดจิตเนี่ยสลัดไออารมณ์เหล่านี้ให้มันออกไปจากจิตใจได้หรือว่าดึงจิตให้เข้ามาอยู่กับความรู้สึกตัวได้อยู่กับเนื้อกับตัวงั้นถ้าเราทำบ่อยๆทำบ่อยๆเนี่ยนะ จากเล็กมันจะกลายเป็นใหญ่นะจากการทำสิ่งยากๆที่เล็กน้อยที่มันไม่ใชจ่จากการทำสิ่งที่มันไม่ค่อยยากเท่าไหรนะ่เราก็สามารถจะทำสิ่งที่ยากมากขึ้นได้ของเล็กๆเนี่ยนะความดีแม้เพียงเล็กน้อยเนี่ยหรือสิ่งดีๆแม้เพียงเล็กน้อยถ้าทาทุกวันทุกวันนี่มันช่วยได้เยอะมันสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคนเราได้ทีเดียว ที่เขามีการพบว่าเนี่ยคนที่ออกกลังกายสม่ำเสมอเนี่ ย, เ, ยเขาชวนคนมาเข้าคอร์สประมาณยี่สิบกว่าคนมาออกกลังกายเวลาสองสามชั่วโมงอายุตั้งแต่ยี่สิบถึงห้าสิบออกกลังกายเนี่ยเช่นว่ายน้ำจ็อกกิ้งยกน้ำหนักก็ทำประมาณสองสามเดือนเนี่ ย, ยสิ่งที่เขาพบก็คือนอกจาก สุขภาพจะดีขึ้นแล้วอันนี้มันแน่นอนอยู่แล้วที่เขาแปลกใจก็คือการใช้ชีวิตของคนเหล่านี้ดีขึ้นด้วยไม่ว่าจะเป็นการอ่าการเสพการการทำงานคนที่ติดอาหารขยะคนที่ติดเหล้าติดบุหรี่นะติดโทรทัศน์เนี่ยบอกว่าติดน้อยลงบางคนนี่เป็นนี่เป็นสินเพราะอ่าชอบใช้ เครดิตการ์ดเนี่ยเป็นว่าเล่นเพราะว่านิสัยเปลี่ยนนะการบ้าชอบหรือว่าการ uh, ใช้เครดิตการ์ดเพื่อซื้อของเนี่ยน้อยลงคนที่ซึมเศร้านก็มีอาการดีขึ้นที่ตื่นสายก็ตื่นเช้าขึ้นเาคนทำเขาก็แปลกใจนะว่าทาไมเนี่ยแค่ออ ก, กําลังกายอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ใช่แค่สุขภาพดีขึ้นอย่างเดียวการใช้ชีวิตดีขึ้นด้วย เข้าสืบไปสืบมาเพราะเป็นเพราะการออกกําลังกายทุกวันเนี่ยมันทําให้เกิดกําลังจิตที่เข้มแข็งเพราะธรรมาชาติคนเราก็ไม่ออกําลังกายนะแต่ต้องตื่นขึ้นมาออกกาลังกายหรือต้องฝืนใจทําพอทําไปเนี่ยมันไม่ใช่แค่กําลังกายดีอย่างเดียวกําลังจิตก็ดีและกําลังจิตที่ดีเนี่ยมันก็ไปช่วยทําให้สามารถจะต้านทานต่อสู้กับความอย า, อยากอยากกินอาหารขยะเพราะมันอร่อยเพราะมันมีของหวานของแฮมเบอร์เกอร์พิซซ่าเนี่ย ก็สามารถจะต้านทานได้ติดบุรีรว่ามันไม่ดีแต่เลิกไม่ได้เพราะจิตใจอ่อแอแต่พอออกกาลังกายทุกวันเนี่ยจิตมันมีกำลังแล้วมันก็ต้านทานก็เลิกบุหรีได้บางคนติดช้อปปิ้งเนี่ยเลิกไม่ได้นะแต่พอกาลังจิตเข้มแข็งก็เลิกได้ที่เคยผัดผ่อนจะไม่ทาอย่างง้นอย่างนี้เนี่ยตอนหลังก็ทาได้ นี่เขาพ ว, ว่าในการออกกลังกายเนี่ยนะมันสามารถจะส่งผลต่อชีวิตนะการใช้ชีวิตด้านอื่นๆได้แล้วมันไม่ใช่แค่ออก ก, ออ ก, กำลังกายนะมีคนไปทดลองทำนะโดยให้ฝึกให้เข้าคอร์สนะควบคุมการใช้จ่ายนะทุกคนเนี่ยก็ต้องทําบันทึกว่าวันนี้ใช้อะไรไปจ่ายอะไรไป แล้วก็ตั้งตั้งเงื่อนไขกับตัวเองว่าอาทิตย์หนึ่งวันหนึ่งเนี่ยจะใช้จ่ายอะไรบ้างจะไปกินอาหารข้างนอกตามเหลาตามพัตคานเนี่ยอาทิตย์ละกี่ครั้งจะไปเข้าโรงหนังเนี่ยเดือนละกี่ครั้งจะไปช้อปปิง้งอาทิตย์ละกี่ครั้งจดเอาไว้แล้วก็พยายามทำให้ได้ปรากก็ได้ผลเหมือนกันนะก็คือชีวิตเนี่ยเปลี่ยนไปคุณภาพดีขึ้น ไม่ใช่แค่คุณภาพจิตใจนะคุณภาพกายด้วยสุขภาพกายดีขึ้นอะไรเป็นสาเหตุทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงไม่เพียงแต่ว่าบัญชีบัญชีรายรับรายจ่ายดีขึ้นนะแต่ว่าคุณภาพหรือการใช้ชีวิตก็ดีขึ้นไปด้วยก็เพราะว่าตัวแปรสําคัญก็คือกําลังใจนะการมีวิ น, นัยเพราะนั้นเนี่ยเพียงแค่เราตั้งใจนะว่าเนี่ย ปีใหม่นี้เนี่ยเราจะทำสิ่งที ด, ดีเป็นรางวัลให้กับตัวเองเช่นเราจะเจริญสติทาสมาธิทุกวันไม่ต้องมากนะอาจจะเริ่มต้นที่ห้านาทีก่อนก็ได้หรือบางคนคิดว่าห้าทีมันมันจิบจิบนะอา่าสิบนาทีก็ได้สิบห้านาทียี่สิบนาทีก็ได้แต่อย่าอย่าอย่าตั้งไว้สูงนะบางคนบอกเนี่ยว่าลสองชั่วโมงคือถ้าตั้งไว้สูงแล้วทำไม่ได้เนี่ยมันสู้ ตังเล็กๆทำเล็กๆแต่ว่าทำทุกวันดีกว่าเพราะว่ามันจะได้มันจะได้วินัยมันจะได้นิสัยที่ก่อตัวขึ้นมานิสัยแล้วก็วินัยที่เกิดขึ้นความตั้งใจที่เพิ่มพูนขึ้นเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถจะทำสิ่งยากๆได้สามารถจะทำให้เราเจริญสติได้ทั้งวันเลยก็ได้ทั้งในรูปแบบแล้วก็ ในชีวิตประจําวันการเจริญสติในชีวิตประจําวันนี่มันก็ต้องอาศัยความตั้งใจนะเพราะถึงแม้ว่าเราอยู่ที่นี่เนี่ยเราบอกโอ้เนี่ยจะกลับไปกลับไปบ้านนี่เราจะทํานีแต่ว่าพอถึงเวลาแล้วก็ใจมันก็ลอยนะถูฟันใจก็ลอยอาบน้ําใจก็ลอยคิดถึงงานนะเพราะว่าใจิตใจมไม่เข้มแข็งอยีอยารนนิสัยนะ นิสัยในการมีสติให้รู้ทันความคิดนึกหรือว่านิสัยที่จะพาใจกข้มอยู่กับเนื ก, กับตัวเนี่ยมันไม่ได้สร้างเอาไว้ให้เข้มแข็งนะพอกลับไปใช้ชีชะเหมือนเดิมเนี่ยมันก็เข้าสู่ร่องเดิมเนี่ยฉั้นพยายามเนี่ยไหนๆมามาอยู่ที่นี่เนี่ยจะ ก, กี่วันก็ตามเนี่ยนิสัยให ม, ม่มาเริ่มกาะตัวขึ้นแล้วก็คือนิสัยที่ทำอะไรก็รู้สึกตัว ทำอะไรใจก็เอาใจใส่ลงไปกับสิ่งนั้น1 0อเอร์ซทำอะไรก็ทำทีละอย่างกินข้าวใจก็อยู่การกินข้าวเวลากวาดใบไม้ใจก็อยู่การกวาดรู้สึกตัวอันนี้คือนิสัยใหม่นะที่เราจะต้องกลับไปต่อ ย, ยอดกลับไปเสริมด้วยการนะ มีกำหนดเงื่อนไขกับตัวเองบ้างนะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเราจะปฏิบัติในรูปแบบวันละเท่าไหร่ห้านาทีก็อย่าไปดูถูกนะว่าเล็กน้อยนะขอให้ทาทุกวันก็แล้วกันและสิ่งเล็กน้อยเนี่ยมันก็จะเป็นฐานที่จะพาเราไปทําสิ่งที่ยากสิ่งที่ใหญ่กว่าได้ชาญยุพงศ์เท่านี้นะครับครับ